ม่เชื่อไหมอ <c oughs> ่าฟังตอบกันหลองจากพวกเราสาธยายพระสูตรทวชาว้าทวันเย็นจบก็ไปลรรบธรรมสู่กัรฟังโดยเน้เนแนวในการปฏิบัติ เข้าเส้นเข้าทางอย่ากระจุยกระจายไปทางอื่นให้เฉพาะเรื่องเฉพาะเราไหนไหนเราก็มาอยู่วัดว่ า, ารามเป็นภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคเรียนรู้ เราลู้มามากแล้วประสบการณ์อะไรต่างๆต้งสุขั้องทุกข์ต้องหลงต้องอะไรมากมายแบบนี้มาดูตรงๆมีสติเป็นตาภายในของเราให้เห็นกายหเห็นใจตามความเป็นจริง เอากายเป็นตำลาเอาใจเป็นตำลาเอาสติเป็นหงเป็นตาเข้าไปดูกายมันก็มีจริงจิตใจมันก็มีจริงต้นเหตุมันอยู่ที่กายที่ใจมันจะแสดงอะไรออกมาเราก็ต้องเห็นรู้มันถ้าได้รู้แล้ว ที่มันเป็นมันก็เห็นที่มันเห็นมันก็ไม่เป็นถ้าไม่เห็นมันก็เป็นสุขมันก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์ถ้าเห็นแล้วมันก็ไม่เป็นสุขสุขไม่เป็นสุขทุกข์ไม่เป็นทุกข์หลงไม่เป็นหลงผิดไม่เป็นผิดอะไรต่างๆมันจะมันจะหยุดลงไม่ไม่ไป นี่คือตาภายในเหมือนการเฝ้าดูหมืนตาเนื้อของเราดูแลทรัพย์สินเงินทองถ้าตาได้เห็นแล้วสิ่งของก็อยู่คงอยู่ไม่มีใครเอาไปถ้าใครเอาไปเราก็เห็นเราก็บอกได้ตาในมันยิ่งกว่าเสร้กว่าตาเนื้อนั้น เท่าดีเองการศึกษาการปฏิบัติเริมต้นง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็อยู่กับเรานี้ไม่ได้หาไม่ต้องถามใครไม่ต้องขออะไรจากใครเราก็มีกายเราก็มีใจแล้วก็มีสติแต่กายใจของเราไม่มีสติดูแล มันก็กระจุกกระจายไปทางอื่นเป็นสุกเป็นทุกข์เป็นเลตนาความรักความชังสรพัจจังจนเป็นจดดินิสัยไปนื่อเรามาศึกษาพระพุทธเจ้าหรือพระศาสนาต้นตอของเกิดพระพุทธเจ้าก็มี มองคมองลักษณะเป็นเป็นอย่างเดียวเทวาสามมันลักษณะเ ห, เ, เห็นเกิดเึงเจห็นเจรเป็นตายเป็นโฉดจึงเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาสิท ธ, ธัตถะจึงเห็นเรื่องนี้ด้อยจะหาคำตอบให้ได้ ค่ายคายว่าศิรธะเป็นโจ์เป็นจำเลยความแก่ความเจ็บความตายเป็นโจท ย, ยอมไม่ได้ต้องหาการเช่ต่างเรื่องนี้ให้ได้แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะศีรษะเพียงลองพังผู้เดียวเป็นทั่วไปแต่มันลักษณะไม่ว่าใครที่ไหน ในเกิดเจ็เจตายเหมือนกันจึงศึกษาเรื่องนี้หาคำตอบจากการศึกษาอยู่ตั้งหปีนันก็ผิดรูปผิดทางสุดโต่งว่างตันล่างกลางตันคือกามสุนนิารคือกามขันกามา ข, ขันกามสุขานิการโยกอ่อนแอเกินไปค่อยตามเกินไป ถ้าหลงก็หลงไปเล ย, ยลูกก็ลูกไปสไปุกไปทุกข์ไปพอใจไม่พอใจเป็ียนกำมาสุขันนิการโยกปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปไปขกี่วความสุขไปกับความทุกข์อะไรต่างๆไม่สงวนไม่ดูเดตัวเอง ผิ ด, ผดถูกถูกผิดก็ให้เป็นผิดถูกก็ให้เป็นถูกเป็นอยู่อย่างนั้นความหลงก็ยังหลงอยู่ความทุกข์ก็ยังทุกข์อยู่ด้วยกามสาุขขันิการุญอันหนึ่งตันเลยอันหนึ่งอันหนึ่งเพ่งจังเกินไป เรามงานเกินไปอดข้าวอดน้ำเอาผิดเอาถูกกับกายกับใจจะให้เป็นอะไรโดยไม่รู้จนจนเรียกว่าสมถะนั่งนอนเชื่อ น, นอนหนามไม่กิงข้าวกินน้ำ หาว่ากายใจเนี่ยต้องตักครับมันจนจะตายอันี้ว่าตันเลยที่ยวไปไม่ได้เลยมาเปลี่ยนทิศทางใหม่ว่ากายใจนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปจับมันโดยตรง มันมีลักษณะอันที่มันถูกต้องอยู่เช่นไฟจะไปมอดไฟไปดับไฟถ้าดับไม่เป็นก็ทำได้ยากดับไม่ได้แล้วก็มีวิธีดับเช่นไฟฟ้ามีสวิต ต้นเหตุของมันเกิดไปมันมีที่ดับไม่ใช่ไปดับไปเลยก็มาดูอะไรก็ทำมาหมดจึงมาดูมีสติดูกายให้เห็นที่มันแสดงออกง่ายๆมันมีหลงมันมีรู้ถ้าเวลาใดมันหลง ถ้ามีสติ้าดูอยู่ก็เห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงตรงนี้เรียว่าได้ทางแต่มันสุกก็เห็นมันสุกไม่เป็นผู้สุก็มันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์นี่ยเป็นทางง่ายๆแต่ก่อนสุกเป็นสุกทุกข์เป็นทุกข์ แบบนี้พอมาเห็นเข้าสุขก็ไม่เป็นสุขเพราะมันเห็นการเห็นสุขสุขไม่มีค่าการเห็นทุกข์ทุกข์ก็ไม่มีค่าจืดไปเลยถ้าเจ้ตรงนี้ได้ก็ง่ายต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้เราทำลงไปเห็นแต่สภาพที่หลงสภาพที่รู้คู่กันไป เวลามันหลงไม่ก็มีรูเวลามันไม่หลงก็มีรูอันรูเนี่ยมันเหนือเหนือเหนือทุกอย่างเดี๋ยวอะไรที่มันเกิดนอกจากไม่มีนอกจากภ า, าวะที่หลงที่รูแล้วอันเดืดก็ง่ายจะเป็นความโกรธก็เป็นท่วมหลงก่อนจะเป็นความ ก, ก็เป็นความหลงก่อนจะเป็นความทุกข์ก็เป็นความหลงก่อนจะเป็นความสุขก็เป็นความหลงก่อนจบต้นโตได้เหมือนจริ้งโคกหลงเขาปล่อยไปเลยปล่อยให้ปล่ยให้เรื่องที่มันเทิด มันไม่จริงขอให้เรื่องที่มันจริงทำหน้าที่กันเองความหลงไม่จริงความรู้สึกตัวจริงขัวความทุกข์ก็ไม่จริงความรู้สึกตัวจริงวัวความโกรธก็ไม่จริงความรู้สึกตัวจริงวัวเป็นอันเดียวไปเลยได้หลักหน้ำกูเจาะเกล็ เปิดโดยทุกทุกห้องหนุนตอนคุณจะเอกแต่ก่อนจะเป็นกติจะเป็นโบสจะเป็นศาลาบำเพ็ญกุศลจะเป็นกติเขตผู้หญิง ก็ใบคนใช้ให้คนใช้แต่คนแจไม่ใช่เอกไม่มีเอกดอกเดียวคนทาคนที่ใช่ทำคญแจหายคนแจก็อยู่หลงตาเขาเปิดไม่ได้เขาแม่มาบอกรอกเราก็ต้อง บางทีเราก็มาอยู่จำเป็นจะต้องเปิดกติเข้าไปก็ต้องตัดคนเจอทิ้งแล้วก็เสียหายไปก็จะเอกของเราก็ยังใช่อยู่เฉพาะเฉพาะอันที่มันที่เป็นสิ่งที่ควบคุมได้อันนั่นก็เป็นวัตถุสิ่งของ แต่เอกจริงๆคือภาวะที่รู้สึกตัวเนี่ยม่แต่เราสร้างตัวนี้ขึ้นมาประกอบตัวนี้ขึ้นมามันจะเกิดขึ้นก็เพราะกณรประกอบไม่ใช่รู้คิดรู้ให้มันรู้ไปกับที่มันมีที่ตั้งกายตั้งไว้เคื่อนไหว หายใจเดินจงกงมให้มันตั้งไว้ก่อนตึกหัดเบื้องต้นให้หมีที่ตั้งไม่ว่าเราจะหัดอะไรเป็นศาสตร์ต่างๆก็ต้องมีที่ตั้งมีสูตรมีการกระทในจึงนั้นเช่นหัดคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งไว้แล้วก็เล่นตองไหมอะไร เช่นอะไรก็ตามหัดลูกคิดหัดพิมพ์ดีด ต, ต้องมีที่ตั้งเอาไว้เมื่อเราหัดมันก็เป็นเมื่อมันเป็นแล้วว่าต้องหัดนั่นเป็นสากลอยู่อ่พิมพ์ดีดก็เป็นสากลคอมพิวเตอร์ก็เป็นสากลตัวอักษรก็เป็นสานนกลใช่ได้ทั่วทั่วไปไม่แต่ นอตส ก, กูอะไต่างๆก็เป็นสากลหุนหนึ่งหนุนสองสองหนุนหกหนุนอะไต่างๆแรงก็เท่ากันหนึ่งแรงสองแรงมันก็ลดโยน์มันจะมีลักษณะอันเดียวกันกาเป็นสากลของ ของโลกไม่แต่กฎหมายไม่แต่อะไรต่างๆจางสติสัญญาสากลของโลกมันก็เป็นสากลกันอยู่ในชีวิตเรายิ่งเป็นสากลมากกว่านั้นหรือว่าสามันลักษณะเพียงมีสติอย่างเดียวเนี่ยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนสภาพภาวะที่หลงเป็นสภาวะที่รู้เนี่ยไปอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆไปเนี่ย อันอื่นอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยมันจะถูกเปลี่ยนไปเลยเสร็จไปเลยจนเห็นความสุขความทุกข์เมื่อมันมีแล้วก็เห็นไปเลยเห็นไปเลยเมื่อมันเปลี่ยนไปตั้งแต่นี้คข้าถึงสภาวะที่เกิดเจ็บตายไปเลยสุดท้าย เหนือการเกิดการเจอ ก, การเจ็บป่วตายไปเลยต่างเริ่มต้นตรงนี้ให้ได้ถ้าเหนือการเกิดเจอะเจ็บตายถือว่าจบถือว่าจบเป็นพุทธเป็นศาสนาศาสนานี่เป็นการศาสนาที่จะไปเหนือการเกิดเจอเจ็บตายไม่ใช่ ศาสนาเอาไว้เป็นวิธีรีตองทำไงเราจึงเข้าถึงนี่ได้เอาให้กันก็มาได้ส่วนวิธีรีตองอาจจะสอนกันได้ให้กันได้สวดมนต์ไหว้พระกเป็นจางข้าปดิดเป็นจางข้าปิ์อัญเชลีวันธาอภิวาต อันเดียวกันแต่อันนั้นสอนสอนกันได้ผู้อื่นสอนได้เราทาตามเขาแต่ว่าการปฏิบัตินี่ยทำตามกันไม่ได้มันต่างวละกันบางคนก็ก็รู้บางคนก็หลงเรานั่งอยู่ในนี้ที่เดียวกันนี่เวลานี้หลนตาพูดท่านทั้งหลายเป็นรู้ฟังจริงที่พูดเนี่ย เป็นอันเดียวแต่จริงภพาวะาที่ของท่านเกิดขึ้นเป็นกนระอยา่างเราทำไงเราจะเป็นอันเดียวกันต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็ไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าท่านมีสติก็เห็นมันหลงก็พูดถึงความหลงเราก็รู้เราก็รู้ความหลงไปอย่างนี้ไม่ต้องถาม ถ้าพูดถึงความสุขเราก็รู้ความสุขเป็นอย่างนี Or, OR, oh ้ถ้าพูดถึงความทุกข์เราก็รู้ความทุกข์เป็นอย่างนี้คนอื่นพูดเราเป็นผู้รู้คนอื่นพูดเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้เห็นนั่นอันเดียวกันอย่างนี้ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีสติแม้คนอื่นพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้มันเป็นยังไงเมื่อเป็นแล้วจะเป็นยังไง ็ยยอยู่ในสภาพบแบบนี้ทำไมไปปฏิบัติกระล้มโกเทียนน่ะท่านสอนแล้วก็ใส่ใจฟังบางทีเราก็คิดถ้าลู้ธรรมะมันจะเป็นยังไงตติมันเป็นยังไงเจริควคมหลงมันเป็นยังไงเอาความคิดไปหาคำตอบ หานะคำตอบจากความคิดแล้วก็มันก็ไม่ถูกตอ้องบวชทำลงไปเราก็เคยเรียนรู้สติคือความเลิกได้สัมปัญญาคือความรู้ตัวโดยเรียนรู้มาตอบนักธรรมชั้นตีได้ตั้งแต่เป็นเนนตัวมา มีกรรมาฐานมีที่ตั้งยกมือเคลื่อนไหวเวลามันเคลื่อนไหวรู้รู้อยู่ก่อนที่มันจะเคลื่อนไหวก็รู้อยู่ขณะที่มันเคลื่อนไหวรู้อยู่ก่อนที่มันจะเคลื่อนไหวรู้อยู่ใส่ใจเคลื่อนไหวขณะเคลื่อนไหวรู้อยู่นั่นเรียกว่าสติสัมปชัญญะ เวลามันชิดรู้อยู่เราอยู่ในฐานะแบบไหนรู้อยู่เวลามันชิดหลงไปเรารู้มันมีเหตุหลงเึงรู้เอาเหตุที่มันหลงเึงรู้มันรู้ได้เพราะมันหลงไม่ใช่รู้หรอกหลงถ้ารู้เมันถ้าหลงล้วมันรู้ถ้าลหา ล, งา ล, าลงไม่รู้มันก็ใช่ไม่ได้ไม่ใช่สติ แล้วมันหลงไันเป็นสภาวะที่รู้แต่ก็มันหลงก็หลงไปเลยมันสุขก็สุขไปเลยมันทุกข์ก็ทุกข์ไปเลยมันโกรธก็โกรธไปเลยมันเลิกมันผิดมันถูกเป็นผู้เลิกเป็นผู้ถูกเป็นผู้ผิดไปเลยแต่ผู้ได้เป็นผู้เสียไปเลยจุดไปเลยให้ความสุขเป็นความสุขให้ความทุกข์เป็นความทุกข์ ให้ความโกรธเป็นความโกรธให้ความหลงเป็นความหลงพอมามีสติแล้วความหลงกลายเป็นความรู้ไปที่แรกเปลี่ยนหลงเป็นรู้ใส่ใจเรากลายเป็นที่ตั้งในที่ตั้งเรามีการเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยบางทีมันแสงเข้าไป สุขทขาไมหลงทุกข์เขาไมหลงความคิดก็ทําไห้หลงมันมีมันมีการเปื้อนติดมาเป็นนิสยัยเคยกินในความรักก็ไหลไปสู่ความรักในความเกลียดก็ไหลไปสู่ความเกลียดในความสุขก็ไหลไปสู่ความสุข ม, มีความทุกข์ไหลไปสู่ความทุกข์อครก็คงจะมี ประสบการณ์ของชีวิตใช่ชีวิตไม่ถูกต้องมาเปิดเื้อนมาติดพัวพันมาได้ว่าจะหลิดนิดสัยแม่ก็เสียถะก็เช่นกันจปนเรียกว่ามานกิเลสมานขันธ์มา น, น, มานเตว่าบุตรมานมัจจบาน ที่เราได้ยินที่เราได้หวังมาก่อนจะตัดสะรู้กิเลสมานก็คืออย่างเหนียวที่คล้อยตามมาลมไปจิตระเทะก็เคยมีชีวิตใช้ชีวิตมายี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามิบสองสามสามสามสี่สามห้านน่ะ ตัวจะมาร่วงในสาห้าปีแล้วจากออกบวชหปีขณะออกบวชได้ปีที่หกเนี่ยยังไม่เป็นผู้ธิจ้ายังเป็นคนหลงทิศหลงทางอยู่พอมาถัดจุดได้มีสติเห็นกายเกิดเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี่กิเลส คือสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองหลายเรื่องคิดถึงเพีมพาราหนุนคิดถึงซบฉินชะดืองคานเคยมีความสุขคิดถึงสาวสนมกมนันนายคิดถึงปรสาสามระดูคิดถึงตัวเจ้าจกักรพรรด คิดถึงพระราชวังคิดกลัวตายเปรียบเทียบนั่งอยู่โต้นโพกับประชา์สามดูมันจะต่างกันขนาดไหนก็ต้องยอมคิดไปเรลามันคิดไหลไปก็รู้จึกตัวรู้จึกตัวขึ้นมาเจรึงมากลัวตายเต้มัดจุ มนเหตุที่ทาให้กลัวเกิดอะไรขึ้น้ถ้าเป็นไข้เป็นหนาวนั่งตากลมตากแดดไม่เหมือนเราขณะ น, นี้มีสลามีผ้าหม่มจีรทะมีผ้าสามผืนเอาย่าคามาปูนั่งเท่านั้นเอง ฤดูฝนเดือนพฤกษาเนี่ยในช่วงเป็นเดือนหกเนี่ยก็เป็นฤดูฝนฝนก็จ ะ, จะตกเปียกบ้างในป่าในดองงูเลื่อยมาลมพัดมาหนาวร้อนแล้วก็กระทบสบัดร้อนสบัดหนาวทําใจเป็นไข้ทําท่าจะป่วยแล้วกลัวตาย ยังไม่ตายก็กลัวแล้วเมื่อมันเจ็บก็กลัวแล้วอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยมารทั้งนั้นใครๆก็มีอะไรที่ก็ตามที่เป็นกิเลสมารขันธามารสังขารมารมัจจมารเทวุตมาร น, นั้น ม, มีอยู่ทุกคนเวลาเรามีสติเห็นอยู่เกดมันหลง เห็นมันมันโกรธเห็นมันมันทุกข์เห็นมั น, ม, น, น, ม, นมันพอใจมันไม่พอใจเห็นมันแบบนี้จึงเหมือนกันนั่นแหละควมพอใจและความไม่พอใจว่าโ ย, โยโยในพระสูตรเบื้องต้นถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียไดย้ควงพอใจปล่อยเป็นสุขความพอ ก็มไม่พอใจปล่อยไปทุกข์มันคือความพอใจความไม่พอใจเราเห็นมันถอนออกมาวม่สติเนี่ยจะมีมารขนาดไหนจนเห็นแจ้งในเรื่องนี้ขึ้นมาเปลี่ยนกรงเปลี่ยนกิเลสเปลี่ยน ขันธ์ธาเจตมารขันธาม า, มมารมาัจจมารเตวุตตมารสังขารมารเป็นสนภาวะที่รู้เหมือนศวนเปลี่ยนลูกศรเป็นดอกเป็นดอกไายบูชาความหลงแท้ๆทาให้เรารู้ความทุกข์แท้ๆทาให้เรารู้ความโกรธแท้ๆทาให้เรารู้ มันจะไม่ผิดด้วยสศนจากงานทั้งหลายยิงมาต่อมาถูกกับตัวเองอะ่ะไม่ไม่ใช่ทำให้เสียหายกลายเป็นดอกไม้บูชาโอ้เป็นเช่นนี้เองโอ้เป็นเช่นนี้เองได้ปัญญาได้ปัญญาจากปัญหาได้ปัญหา ได้ปัญหาเป็นปัญญาตอบคุณปัญหาเพราะเหตุมันมีอย่างนี้มันจึงเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เป็นอย่างนี้รู้เหตุรู้ผลยึงเรียกว่าตัดจะรู้อริยสัจสี่แล้วสัจทีก็มีเหตุมีผล ไม่ใช่ดดโดนโดนก้อนกเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงไม่มาสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีมันได้เหตุได้ผลได้ ว, ว่าตัด ส, ส, สู้อิจฉาสิเช่นความทุกข์เป็นผลไม่ใช่ไปงมอยู่ที่บนทุกข์เวลามันทุกข์ก็อดก้นอดทน ถ้ายังอดทนในความทุกข์ถือว่าไม่ใช่ความทุกข์ไม่ใช่เรื่องอดทนความทุกข์เป็นเรื่องที่ควรจะยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นมันแล้วถ้าเห็นแล้วเหนื่ยอยหลุดพ้นมันทุกข์มันทำให้เราเห็นมันน่าจะยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเห็นถ้าเป็นเรายิ้มไม่ออก ถ้าเป็นผู้ทุกข์มันไม่ยิ้มถ้าเห็นมันทุกข์เนี่ยมันชื่นใจเหมือนเราเห็นงู เ, เห็นงูก็ปวดภยัยไม่ต้องให้งูกัดเห็นทุกข์ก็เหมือนเห็นงูเพาะมีตาเอว่างนะังงูยงอางอยกอภยัยต่างเดินไปชะลาน้าจาก หอวใไปก็ไป้างซ้ายมาือเราเดินไปทางนี้มาอยู่ตรงนั้นแหละจง้างไม่ค่อยหนีจะไปไหนเราอยู่ที่นี่ก็เรามีตาเราก็เห็นใช้ได้สารพัดตาในยิ่งประเสริฐตาเนื้อเนี่ยไม่ประเสริฐตาในกสติเนี่ย เอาเธอนะถ้ามันเห็นแล้วเนี่ยใช้ได้แล้วถ้าเห็นกายมันเคลื่อนไหวพิกมือสิบสี่จังหวะ15บ้าจังหวะให้รู้รู้ทุกจังหวะไปอัดตรงนี้ก่อนถ้าเขียนนังสือเขียนใส่เทศมันทัดนี้ก่อนให้มันตรงตามรูปแบบไปก่อน ถ้ามันจนานาญแล้วไม่ต้องตรงตรง่อมไม่ต้องอาศัยบรรทัดเช่นเราเขียนหนังสือไม่มีเส้นบรรทัดเราก็เขียนตรงได้ถ้าเราหัดเขียนมันก็ไม่ตรงการหัดการฝึกหัดที่จําเป็นมันจะเมื่อมันเป็นมันต้องหัดก่อนถ้ามันไม่หัดมันไม่เป็น ที่ว่าทำให้เป็นไม่ใช่เรียนรู้กรรมฐานคือทำให้เป็นเมื่อเหมือนเป็นแล้วไม่ต้องเรียนแคมันหลงมันรู้ไม่ต้องไปสร้างตัวรู้เพราะมันเป็นแล้วเวลามันโกรธมันรู้เวลามันทุกข์มันรู้อ่ะมันเป็นแล้วอ่านออกเขียนได้ เวลามันเจ ja придум, ็บรู้เวลามันเจอรู้เวลามันตายรู้ไม่มีใครตายพระความตายไม่มีใครเจ็บพระความเจ็บไม่มีใครแก่พระความแก่เราเห็นเนี่ยเรื่พระว่าที่เห็นนี่หละเห็นแล้วก็ไม่มีคำพูดเลยก็ไม่เป็นเห็นไม่เป็นเห็นมันทุกข์ไม่เป็นทุกข์ เห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธยากไหมเรื่องนี้ยากไหมไม่ชีเห็นมันโกรธหรือเป็นผู้โกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธถ้ามันโกรธเป็นผู้โกรธมันยากกลัวเวลามันโกรธเห็นมันโกรธง่ายๆก็ง่ายอย่าทำไมมันยาก จะไปยิงโคกขึ้นเขาให้ยิงโคกหลงเขาก็มันสุกเ ข, ขมันสุกมันยากไหมเนื้อเป็นผู้สุกวันนี้หนูเทียดถามนักปฏิบัติธรรมวันนี้หนูเทียดงงก็ง่วง ไม่ใช่นักรรมฐานนะที่นี่เขาสอนไม่ให้เป็นผู้เครียดเขาสอนให้เห็นมันเครียดได้ไหมเขาสอนหเห็นมันคิดไม่ใช่เป็นผู้คิดมากวันนี้หนูคิดมากจริงคิดมากจิงรู้หลงว่าเทียนบอกว่ามันจะรู้เพราะมันคิดนั่นแหละมันหลงนั่นแหละนั่นจะยากไหมเนี่ย สี่นี้มันทำได้เนี่ยจึงมาสอนกันถ้าทำไมได้ไม่สอนพระพุทธเจ้าสอนในการทำให้ทาได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จังว่าธรรมะเปิาการิกษธรรมให้ผลได้ไม่มีการไม่มีเวลานั้นจะหลงก็ไม่ ไม่มีฤดูฤลือดูนี่เป็นฤลือดูดงเลือดูนี่เป็นฤลือดูทุกเลืดูนี่เป็นฤลือดูสุกไม่มีความรู้ก็ไม่ใช่มีฤดูเป็นอากาลิกธรรมไม่มีกาลเวลาเอาเลยหลงอยูกับตัวท่านลูกก็อยู่กับตัวท่านนั่นแล้วเนี่ยมันมันเข้าทางแบบนี้มันจะยากอะไร เมื่อกับรลดที่มือก็ว่าได้มองอะไรมองให้มีปัญญาปัญหามีปัญญาถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญญาอย่างนี้เรียกว่าสนอนกรรมฐานที่สอนนี่ที่พูดนี่พูดเรื่องใครตรอตาพูดเรื่องใคร พูเรื่องพระที่เจ้าเลยพูดเรื่องเรานั่งอยู่นี่มีไหมมีหลงไหมมีรู้ไหมเวลามันหลงหรอมีรู้ไหมถ้ามันหลงเป็นหลงไม่ใช่เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ถ้ามันหลงก็รู้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่หลงวันนี้เอาหลงไปก่อนเถอะโกรธไปก่อนเดี๋ยวก็ค่อยๆปฏิบัติกันใหม่ปล่อยใจปล่อยใจไปเวลามันโชก็ปล่อยให้สชกไป เวลามันโกรธปล่อโกรธไปลําดับลํานําดีในความโกรธพอจอยมีไหมไม่ชี้เวลามันโกรธปล่อยไปมีไหมคิดไปถึงโน่นถึงนี่มีไหมคิดถึงความโกรธก็คิดขึ้นมาก็ใจสั่นมีไหมอ่าไม่เสียเวลามันเสียเวลาถ้าเป็นไฟตกใส่เราปล่อยให้มันไม่อยู่ไม่ออกมันก็เป็นลอยเป็นแผลเป็น รักษายากถ้าปล่อยความโกรธปล่อยความหลงปล่อยความทุกข์นอนเนืองในจิตใจของเรามันก็เป็นมันก็เป็นเจ้าเรือนเป็นจริตไปให้ไปๆสักหน่อยแี่ว่าปฏิบัติปฏิบัติคืออะไรคือเปลี่ยนลายเป็นดีเปลี่ยนถูกเป็นเปลี่ยนผิดเป็นถูกเป็นทุกข์เป็นไม่ทุกข์ยิึงว่าปฏิบัติ มันหน้ามือหลังมือนี่เปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนเนี่ยใครจะเปลี่ยนให้เราหรอลองมือวางไว้หายมือดูซิหายมือดูเอาเปลี่ยนหลังมือหลองตาเปลี่ยนให้ได้ไหมใครเป็นคนเปลี่ยนเธ <c oughs> อเราเอง <c oughs> เออหลังมือเปลี่ยนเป็นหน้ามือเดี๋ยวนี้อ่าอยนี้ที จริงจะเรีว่ปฏิบัติตัวหลงง่ายกว่านี้อันนี้ยังมีมือยังมีข้างหน้าข้างหลังแต่ภาวะที่หลงไม่มีอย่างนี้มันหลงก่อตัวเนี่ยเปลี่ยนในใจในใจในความรู้สึกตัวนละ่วเปลี่ยนทันทีเลยนะง่ายๆต่อไปนี้เ ว, วนเวลามันหลงเวลามันเครียดอย่าไปบอกว่าหนูเครียดหน้าบูดหน้าเบิงนะไม่ใช่หน้าบูดหน้าเบิ ง, นะบรบงจริงๆอะ่ะ ไปถามนั่งหน้าบูดหน้าเบื้องอยู่อหลวงต่อบอกคนเดินผ่านสำนักงานนี่ดอกลำโพงบานเยื่มใส่พวกเราห้ามเดินมานี่ห้ามหน้าบูดนะอ้ายดอกไม้มันดอกไม้มันบานเยื่เไหมใส่ห้ามหน้าบูดนะอายดอกไม้หน้าน้าอายเป็นไหม รอยตัวเองเป็นไหมหิลิคือความลอยใจไม่ใช่ลอายคนอื่นฮิลิลอายใจเวลาโกรธอ้ายลายบางคนไม่หลายเวลาโกรธไปด่ากันหน้าบูดตาเบื้องต้องว่าเทียนมาว่าเวลาโกรธนยให้แก้ผ้าอ้อมบ้านยังไม่น่าอายตัวโกรธ การแจ้เพระออ้อมบ้านมันาอายมากที่สุดถ้าโกดนี่อายมากกว่านั้นนี่เอิมละอายไหมเวลามันโกดมันทุกข์นะอย่างนี้มันใช่ไม่ได้ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยนะได้ยินไหม <c oughs> วันนี้ก็สมควรกราบพระองค์กัน